คงจะถูกเข็มแทงจนทุนทั้งร่างอัตามาภาพมีประสบการณ์ไปให้หมอจีนฝังเข็มเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะหมอจัด ก, การฝังตั้งแต่น้าผาลงไปจนถึงปลายเทา้าอัตามาภาพรู้สึกตัวเองเหมือนปลาที่วางอยู่บนเขียงมีเข็มวางทุนไปหมดแล้วหมอก็ให้นอนนิ่งๆยี่สิบนาทีต้องนิ่งจริงๆ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 แตทุกๆครั้งที่เราปรุงให้ดวงมีความสุขเราเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นดวงดอกไม้ในหนึ่งวันทั้งเนื้อทั้งตัวเราคงจะกลายเป็นสวนดอกไม้เต็มไปด้วยดวงดอกไม้ที่ผลิบานและพอดอกไม้ผลิบานนะผู้พรมรเขาก็จะมาตอเรือัตโนมัติชีวิตเราจะมีแต่ความสดชื่นรุ่นเย็น ใครมาใกล้เราก็เหมือนเดินอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้เขาจะมีความสุขมากในทางตับกันถ้าเราครุงให้เดินทุกใครมาใกล้เรานะพอมาใกล้ปุ๊บเราสลัดเนื้อเดือดเข็มทิ่มเขาเลยเคยเห็นม่นไหมเ <c oughs> ม่นนะยอมลองไปใกล้เลยแต่ เ, เขาสลัดขนใส่คนบางคนทําตัวเหมือนเม่นใครมาใกล้ปั๊บสลัดขนทิ่มหน้าทิ่มตาเขา พูดแต่ละทีทําให้เพื่อนทุกพูดแต่ละทีทาให้เพื่อนจะฉะันนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไหม่เปลี่ยนตัวเองให้เป็นดวงดอกไม้ใครมาใกล้เราทําให้เขาสดชื่นรุ่นเย็นเขากลิ่นหอมและสีสันของเราจะไปทําตัวเป็นเม่นใครมาใกล้กับเทียวสลัดความทุกข์ใส่เขาในชีวิตจริงเราเจอคนอย่างนี้เยอะมากเช่นเรามาในห้องนี้บางทีเรานั่งของเราเรายิ้มฟังอย่างมีความสุขเพื่อนเร า, าชวนเราคุย ชวนคุยแต่เรื่องไม่ดีทั้งๆ ท, ที่ข้างหน้านี้มีแต่เรื่องดีๆเรากำลังจะดีของเราอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนดึงไปแล้วก็ตกตกหลุเพื่อนตามเพื่อนไปทุกข์อีก ท, ทั้งทันี้ของดีอยู่ตรงหน้าแต่เราก็หมดโอกาสที่จะได้ชื่นชมฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปรุงใจให้ตัเองทุกโดยธรรมชาติฉันได้ะ น, นํานองแับการเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรุงให้ตัวเสุขได้ฉันนั้นมันกั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 แต่หมอแก้ให้คุณที่กายภาพของคุณกล้ามเนื้อของคุณระบบประสาทของคุณเซมล์ในสมองของคนยังไม่ถึงต้นต่ออาการของคุณควรจะผ่าตัดแต่ที่หมอทําก็คือให้ยาแก้ปวดแล้วเอาผ้ามาพันไม้พายนอกแล้วก็ทายาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณจะหายทังนั้นหลายคนจึงกินยานอนหลับเป็นปี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 วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงจิตแท้ๆเต็มที่ไปเลยแค่การวัดคลื่นสมองยังไปไม่ถึงตัวจิตและนั่นคือข้อจํากัดของเทคโนโลยีซึ่งเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนาต่างก็ยอมรับในข้อจํากัดนี้จึงหันมาศึกษาสัญธรรมทั้งพุทธทั้งเต๋าดังมีผล ง, งานเล่มหนึ่งของฟิจจ์คาร์ปราออกมาชื่อว่าเต่าแห่งฟิสิกส์ r ูเทอ n ์นิงพอยท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 เป็นสัตว์เก่าแก่ที่มีมานานใช้กันมาก่อนหน้าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติธรรมะก็คือความจริงที่มีอยู่คู่โลกพระพุทธองค์เพียงแต่มาท่งคนพบความจริงนั้นก็เหมือนกฎแห่งแรงดึงดูดดูแรงโน้มถ่วงของโลกที่มีอยู่แล้วก่อนการค้นพบของเซอร์ไอแซคนิวตันบนพิษณีสัมรรถภาพ ความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ก่อนหน้าที่อสตาลจะมาค้นพบความจริงทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ก่อนตัวนันกวิทยาศาสตร์ชั้นใดความจริงทางธรรมก็มีอยู่ก่อนการมาถึงของพระพุทธองค์ชั้นนั้นความจริงมีอยู่แต่ถ้าไม่มีผู้ค้นพบความจริงมนุษย์จะไม่ได้รับประโยชน์จากความจริงฉะนั้นสัจธรศรมมีอยู่แล้วก่อนหน้าการมาถึงของพระพุทธเจ้าดังนั้นสัจธรรมนั้นจึงเป็นของโลก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 อดีตหรือไม่ก็อนาคตคนบางคนก็สูงดึงไปในอดีตคนบางคนก็ถูด ง, ด, งถดึงไปในอนาคตเราจึงไม่เคยอยู่กับปัจจุบันและสิ่งซึ่งจิตจะใช้เป็นอาหารก็คือความคิดความคิดอย่างหนึ่งก็คือความคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรื่องราในอนดีตทั้ทงเรื่องดีและเรื่องร้าย ความคิดอย่างหนึ่งก็คือความคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ได้เกิดความคิดถึงพวกเราในอนาคตมนุษย์ตกอยู่ในอดีตและอนาคตอย่างนี้เขาจึงแทบไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆในปัจจุบันขณะดังนั้นทางด้งนที่เขามีบ้านมีรถมียศทรัพย์อํานาจพร้อมทุกอย่างเลยแต่เขากลไม่มีความสุขเพราะเขาไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆเขาเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เดินได้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 มีชีวิตคือยังไม่ตายแต่คร้านั้นไม่มีชีวาคือความสดชื่นรุ่นเย็นความสดชื่นรุ่นเย็นนั้นก็หมายถึงว่าการมีสภาวิจิตรที่มีความโปร่งความเบาความสบายความรู้สึกตัวทั่วพ ร, รอ้อมดังหนึ่งในเนื้อในตัวนั้นมีฐานน้าพู้ น, น้อยพุทธพรายออกมาถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเราจะมีความสดชื่นรุ่นเย็นอย่างนั้น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 ทั้งนุ่มนวลทั้งอ่อนโยนโปร่งเบาและเบอบางเหลือเกินไม่อยากจะให้สภาวะานี้หลุดหายไปหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออยู่ตรงนั้นและสภาวะาอย่างนี้รอเลี้ยงทำให้เรามีความสุขมีความสดชื่นรื่นเรบ่อยครั้งต้องบอกกับคนอื่นอยู่เสมอว่าไม่ต้องเอารังวันอะไรมาให้เพราะสิ่งที่เราได้รับจากการตามดูตามรู้ลมหายใจนั้น เป็นรางวัลที่วิเศษมากพอแล้วในตัวมันเองนี่คือเหตุผลที่แต่บรรภาาบอกดังเสมอว่าเขาจะใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตน่ะท่องไปทุกคนทุกแห่งเพื่อชวนคนทั้งโลกมาตามดูตามรู้ลมหายใจเขาจะได้เรียนรู้ว่าความสุขแท้ที่จริงนั้นราคาถูกหรือเกินถูกแสนถูกเพราะไม่ต้องซื้อต้องหานองจากว่าเรามีอยู่แล้วทุกค น, นั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะจูบกันลมหายใจอย่างมีความสุข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 ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี่ทูกมนุษย์นำมาบำบัดความอยากของตัวเองบำบัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ค้นเพราะว่าแทนที่จะมีความสุขความสุขนั้นกลับน้อยลงแต่สิ่งที่หายไป ช, ชัดๆคือทรัพยากรวันนั้นจึงมีคนกังวลกันมากว่าในอนาคตอันใกล้อีกสักห้าสิบปีมนุษย์จะถึงเก้าพันล้านประชากรจะลนโลกทรัพยากรจะไม่พอ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 ยืดอายุให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปตราบนานเท่านานสตีเฟนฮอวกิงได้พูดเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้เองเพียงสองเดือนเขาบอกว่าในร้อยปีข้างหน้าถ้าหามนุษยชาติอยากจะอยู่รอดเราจําเป็นจะต้องคิดถึงการไปแสวงหาดาวดวงใหม่เพื่อเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษยชาติเพราะว่ามนุษยชาติทุกวันนี้ น, นิสัยไม่ดี กรณพวกทุกอย่างที่ขวางหน้าทำดังหนึ่งว่าทรัพยากรนั้นจะกินจะใช้กันไปไม่หมดไม่สิ้นทางดังนี้ในความเป็นจริงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างร้อยรออย่างรวดเร็วมากฮอวกงิงเสนอว่าเราจะต้องมองหาดาวดวงใหม่เพื่อเป็นบ้านหลังใหม่เป็นบ้านสำรองของมนุษยชาติอดัมมะพเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่เห็นด้วยกับฮอว์กิงเพราะอตัมมะพเชื่ออย่างยิ่งว่า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 พ อ, อมาถึงคาว่าตีกันบ้างท่านก็พัดใบตานฟาดไปฟาดไปตรงไหนดีล่ะเนี่ยตรงกบหูหลวงลุงเพาะเลยหลวงลุงตกใจตื่นจากสมาธิทำไมเธอตีฉันเปล่านะครับเธอเปล่าได้ไงเธอตีกบหูฉันเต็มเต็มเปล่าครับหลวงลุ ง, ลงไม่ตีฉันแนละ้วเธอตีใครตีลูกครับหลวงลุ ง, ลงยังเถียงว่าแล้วลูกเธออยู่ไหนล่ะ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 หญิงสาวโชมสครานนางหนึ่งอยู่ในชุดกิโมโนโตเต็มยศชุดกิโมโนนี่เต็มไปด้วยผ้าหลายชั้นมากถ้าโยมนึกไม่ออกโยมนึกถึงแหนมเมืองไทย <c oughs> ใบตองเยอะจริงๆท่อนเท้าแขนนะอย่าเพิ่งยิ้มว่าจะได้กินเยอะนะแกะใบตองออกเ <c oughs> หลือเท่านิ้วก้อยนั่นคือกิโมโน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 ส่วนลูกศิษย์วัดส่งน้ำแล้วก็เข้านอนตาเบิกโพลงทั้งคืนเลยหลับไม่ลงท่านเฝ้าถามเองในความมืดว่าเป็นไปได้อย่างไงพระเราไม่ควรจะไปอุ้มผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่สวยขนาดนั้นเป็นอันตรายมากแต่หลวงพ่อก็อุ้มไปแล้วเราเห็นเต็มสองตาเป็นไปได้อย่างไงท่าน เฝ้าถามและเฝ้าเถียงตัวเองเสียงก้องกังวันอยู่ในสมองของท่านทั้งคืนหลับไม่ลงจึนกระทั่งถึงตีหนึ่งท่านตัดสินใจหักเหล็บเดินไปหาหลวงพ่อที่ห้องเคาะประตูก็ก็ก็หลวงพ่องวังเงียตื่นขึ้นมาเปิดประตูอะไรลูกหลวงพ่อครับผมหลับไม่ลงครับหลวงพ่อทาไมลูก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 นี่มันตีหนึ่งแกยังอุ้มอีกหรือพูดแค่นี้ยพระหนุ่มรูปนั้นสาโตริสว่างโพลง่งเกิดการตัสรูน้นแน่นอนตอนมานั้นท่านหนักอึ้งเต็มหัวเลยพอพระอาจารย์ตีจากหน้าอย่างนี้พับท่านยังอุ้มอีกหรือเท่านั้นแหละเพลาะเลยเหมือนจุดไปในความมืดเปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำบอกทางให้แก่คนหลงทางท่านจับประเด็นได้ ว่าท่านอุ้มความคิดในอนดีตมาตลอดเห็นด้อย่างว่านี่คือตัวอย่างของคนส่วนใหญ่ความทุกข์หลายอย่างปัญหาหลายเรื่องมันจบลงไปแล้วแต่เรายอมให้จบไหมเราไม่ยอมให้มันจบเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่ตระกองกอดปัญหาตระกองกอดความทุกข์ทั้งทั้งที่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วเราก็ทะนุถนอมมันนะเอาความทุกข์ไปใส่ขวดโหลดองเข้ ม, ม <c oughs> ปันดีขึ้นดีกก็เปิดจบ หยิบเสืปากเคี้ยวกินอย่า ง, งเด็ดอร่อยสมัยเป็นเด็กอันตมายเพราะเกยเป็นเด็กเลี้ยงควายกลางวันเลี้ยงควายเคี้ยวกินหญ้าพอกลางคืนควายจะขยอกหญ้าออกมาเคี้ยวเรื่องมาควายเคี้ยวเอื้องคนเราบางคนก็ฉันนั้นกลางวันทํางานเจอปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ทันได้เคล็ดกลางคืนพอเข้านอนปับ๊บมีเวลาแล้วขยอกความทุกข์ออกมาเคี้ยว ควายเชียวเอื้องคนเชียวทุกใช่ไหมมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังตอนนี้เป็นคนที่รวยระดับพันล้านกลมในประเทศไทยเป็นนักธุรกิจหญิงที่รวยมากสร้างตัวจากสองมือเปล่ามาปฏิบัติธรรมการแต้มภาพแล้วก็มาเล่าถวายข้อมูลพระอาจารย์ในชีวิตนี้โยมตอนนี้หมดห่วงแล้ว ม <Tr> <os> ีเรื่องหนึ่งที่ยังแค้นไม่หายนึกยังไงก็แค้นไม่หายเรื่องอะไรโยมเพื่อนโยมดูถูกโยมแล้วดูถูกเมื่อไหร่ก็สมัยเรียนประถมมันดูถูกว่าไงมันดูถูกว่าคนอย่างโยมเนี่ยชาตินี้จ้างให้ก็ไม่รวย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 เงินหนึ่งล้านให้เพื่อนนับแล้วแกนับไปนะเดี๋ยวฉันมาฉันออกไปโทรศัพท์แั๊บหนึ่งโทรศัพท์เสร็จกลับก็มาหาเพื่อนได้เท่าไหร่แกฉันว่าล้านนึ่งนะแกว่างป่ะทําไมพรุ่งนี้ฉันจะมาให้แกนับเองเพื่อนช็อกแกเยอะขนาดนี้เลยหรือฉันนจะมาให้แกนับชั่วโมองละล้านก็ได้จริงหรือทําไมแกรวยอย่างนี้ล่ะแกรวยได้ยังไง เืก็บอกรู้ไหมทำไมฉันถึงรวยเพราะแก่ยฉันไปทำอะไรให้แกรวยตอนอยู่ประหกแกดูถูกฉันว่านํำหน้าอย่างฉันชาตินี้จะไม่รวยฉันเลยทำทุกอย่างให้มันรวยเนี่ยที่มาเนี่ยก็เพราะว่าจะได้ตะกสางความแค้นเพื่นอนคนนั้นช็อกมากมากจริงเหรอฉันเคยไปพูดอย่างนั้นแกแกเมื่อไหร่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 มีคนอีกเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่มีชีวิตแต่ว่าไม่มีจีวะเขายืนอยู่ตรงนี้แต่ความคิดความ่านของเขานั้นถอยหลังไปหลายสิบปีแล้วไปคลุกอยู่กับความทุกข์ในอดีตความเศร้าในอดีตความเป็นหวังในอดีตความเจ็บช้ำและการใจในอดีตบางคนไม่อยู่ในอดีตก็หลุดไปอยู่ในอนาคตวันก่อนเจอนักศึกษาคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอักษรก็เล่าให้ฟัง พอสอบเสร็จแล้วแต่นอนไม่หลับทุกคืนทําไมกลัวคะแนนออกมาไม่ดีอาดามาบอกว่ากังวลทําไม ล, ะล่ะลูกสิ่งที่อยู่ในมือลูกคือการตั้งใจเรียนและทำข้อสอบเพราะส่งถึงมืออาจารย์เป็นเรื่องของอาจารย์ไม่ใช่เรื่องของลูกลูกกังวลไปลูกก็แก้ไขไม่ได้เห็นไหมผลสอบยังไม่ออกแต่เขาตีตัวจองความทุกข์มาบริโภคล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนี่ก็ คนที่ไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันจึงถูกอดีตและถูกอนาคตทําร้ายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่จบไม่สิน้นการอยู่กับปัจจุบันเป็นทําให้เราเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าเราจะไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดในาอาดีตและความคิดในอนาคตฉะนั้นจิตของเราจึงเป็นอินสระอาจารย์บางท่านบอก ว, ว่าการเจริญสมาธิแก้กรรมได้เพราะอะไรพระวกรรมเล่นงานเราทางความคิด เช่ผู้หญิงบางคนไปทําแท้งแล้วก็รู้สึกเผ็ดแล้วก็อยู่กับความรู้สึกผิดนั้นไม่จบไม่สิน้นทําแท้งครั้งเดียวแต่ทุกปางตายนับครั้งไม่ถว้วนเพราะว่าทุกครั้งที่เธอคิดถึงก็เหมือนถูกมเมธแห่งความทุกข์นั้นเกิดเข้าไปที่ก้วงหัวใจเธอทําแท้งจริงๆครั้งเดียวแต่เธอทุกข์เพราะความคิดนับแสนนับหมื่นครั้งก็เพราะเธอไม่เคยเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบนัน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 ขณะใดก็ตามที่จิตรเรามีเมตตาความโกรธก็ไม่อยู่ตรงนั้นขณะใดก็ตามจิตของเรามีความใจกว้างมีความอารีอารอบโลภะก็ไม่อยู่ตรงนั้นขณะใดก็ตามที่จิตของเราสว่างสวด้วยปัญญาความโง่ก็ไม่อยู่ตรงนั้นเห็นหรือยังเราเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลคุณภาพจิตของเราได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้พอความทุกข์เกิดขึ้นในจิตก็รวมตัวเป็นส่วนหนึ่งกับความทุกข์ซะเลย เห็นไหมหารู้ไม่ว่าความทุกข์ในเราพลิกมันให้เป็นความสุขได้นะเราพลิกได้ทั้งนั้นแหละเลวร้ายแค่ไหนก็ตามสิ่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราพลิกได้มันจะทําให้เราค้นพบความสุขเหมือนเรื่องราวที่ธรรมาภาพเล่าให้ฟังเมื่อคืนว่านักธุรือเกตสเตรีคนหนึ่งสูญเสียสามีแล้วเฝ้าโทษเองไม่จบไม่สิ้นว่าไม่ได้ดูแลเขาทุกข์ลมขมไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับ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 ที่เคยทุกข์มาทั้งหมดเนอะมันเปลี่ยนคุณภาพกลายเป็นความสุขทันตาเห็นนะทุกข์เท่าไร่สุขเท่านั้นในทางเซนท่านจึงบอกว่าโนมัตโนโลตสไม่มีตมก็ไม่มีบัวบัวมาจากไหน <S <S ก็มาจากตมและน้ําไงสุขมาจากไหนทุกข์นั่นเองความทุกข์ที่ถูกมองเห็นจะเปลี่ยนคุณภาพเป็นความสุขฉะนั้น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 พอรู้เรื่องนี้เธอไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกแล้วมองดูสารารูปตัวเองแล้วก็รำพึงออกมาว่าฉันคืออดีตผู้หญิงที่โฉมสกรานในวันวานที่ผ่านมานั้นเคยถูกขอแต่งงานเดือนเดียวตั้งสามครั้งและฉันไม่เลือกใครฉันเลือกหนุ่มคนนี้แล้ววันนี้ดูสิ่งที่เขาทำกับฉันเขาไปมีสา ม, มีใหม่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 และจะให้ผมเลือกได้ยังไงผมขอไม่เลือกภรรยาก็บอกว่าพี่พี่รับได้ก็รับไปแต่น้องรับไม่ได้น้องขอเลิกสามีก็บอกว่าอย่าเลิกถ้าเลิกสังคมก็รู้กันทั่วสิว่าผมเป็นใครเห็นไหมเวลาที่เราแต่งงานเราไม่ได้แต่งก well ับผ <is> ู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นนะเราแต่งกับสถานภาพแต่งกับ หน้าตาแต่งกับชื่อเสียงแต่งกับอัครฐานทางสังคมเยอะแยะมากมายผู้ชายไม่ยอมเลิกจะทุกขรจมขอมไม่ม า, มาอุ๊แล้วทุกเอกแทบล้มระดาตายแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งสามีก็ถูกหักหลังสมสานกลับมาหาเธอมาดูแลเธออย่างดี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 คนคเดียวกันนั่นแหละทำให้ทุกข์จนเกือบจะฆ่าตัวตายพอเปลี่ยนไปไป็นคนก็คนคนเดียวกันนั่นแหละทําให้เรือดีใจและมีความสุขดังหนึ่งขึ้นสวรรค์เธอบอกว่าครั้งหนึ่งเมื่อสามีนอนหลับเธอลุกขึ้นมานั่งบนเตียงแล้วมองดูหน้าเจ้าคนนี้ไม่เชื่อหรือที่เราแค้นมันแค้นจนอยากฆ่ามันและตอนนี้นะเราน่ะรักและภูมิใจในตัวมันสุดๆเธอบอกว่า พอคิดอย่างนี้ได้เกิดสงสารสามีขึ้นมาจับจิตจับใจว่าเขาเป็นแค่เจ้าตัวเล็กในมือเธอเป็นเจ้าตัวเล็กที่ทั้งทําให้เธอมีความสุขและทั้งทําให้เธอมีความทุกข์เธอบอกว่าจูจ่ๆ ก, ก็บรรู้ธรรมว่าความสุขและความทุกข์แท้ที่จริงก็คือด้านทั้งสองของเหรียญเดียวกัน พอเกิดความสว่างสบายและเขาเ้าใจอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาเธอบอกว่าชีวิตมันเบาไปหมดสามีจะไปมองคนอื่นก็ไม่ถึงไม่ห่วงไม่อะไรเธอบอกว่ามันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเองเหมือนเราอยากกินสเต็กเนื้อสันนะตอนอยากไม่ยากอยากตอนกินก็อร่อยอร่อยพออร่อยแล้วเกิดเนื้อติดฟันขึ้นมาอยากจะแคะถึงซะงั้นก็ไหนว่าอร่อยไง <c oughs> เพราะอิ่มแล้วแค่ทิ้งเลยติดนิดเดียวก็ไม่ยอมนี่หรือความสุขฉะนั้นความสุขความทุก์นี่มันเป็นด้านทั้งสองของเหรียญนั่นเดียวกันนะหากว่าหนึ่งชีวิตเราพบความทุกข์อย่าโกรธอย่ากลัวความทุกข์อย่าทำร้ายตัวเองที่เจอทุกข์บอกตัวเองว่าทุกข์อยู่ตรงนี้สุขก็อยู่ตรงนี้แหละ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 อย่าเพิ่งเช็คแหนความทุกข์ความทุกข์กเกิดขึ้นมองสวนลงไปในความทุกข์พิจารณาทุกนั้นให้ดีๆแล้วเราจะเห็นว่าถ้าดูดีดๆเขาเปลี่ยนเป็นความสุขเปลียบไปความทุกข์ก็คงจะเหมือนกับทุเรียนที่เปลือกนอกดูไม่ได้เอาเลยทีเดียวแต่พอผ่าออกมากินเนื้อในนะจะจําไม่ลืมเท่าที่ยกตัวอย่างมาก็น่าจะพอสมควรนะ ยอมเห็นแล้วนะว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเราหลุดจากความคิดที่ทําให้เราทุกมาอยู่กับความสุขได้อย่างฉับพลันทันทีได้ยังไงทีนี้จะมาถึงอีกขั้นหนึ่งของการทําตัวทําใจให้มีความสุขนอกจากการอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะทําให้เราเป็นอิสระจากความคิดที่หน่วงเราไปหาความทุกข์ได้แล้วเนี่ยมีวิธีหนึ่งคือการปรับปรุงใจของเราปรับปรุงโล ก, กทัศน์ของเรา วิธีคิดวิธีมองของเราเราสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นอุปกรณ์แห่งความสุขได้ถ้าเราสามารถปรุงใจให้ทุกได้ทำไมเราจะไม่สามารถปรุงใจให้สุขได้เราใช่ไหมวิธีหนึ่งซึ่งจะปรุงใจให้สุขก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นครูของเราอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาในชีวิตมองสิ่งนั้นว่าเป็นครูของเรามันสอนเราถ้าเรามองอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวเลย ท่านพระพรมคุณาภรณ์นักปราชญ์ชาวไทยท่านป่วยยี่สิบโรคแต่ท่านไม่อนาทรร้อนใจกับความป่วยทุกครั้งที่ท่านป่วยท่านก็พิจารณาความป่วยเป็นอุปกรณ์สอนธรรมมีวันหนึ่งท่านป่วยหนักหมอแนะนาให้ผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จแล้วท่านนอนแบบอยู่บนเตียงหมอมารักษาท่านพร้อมกับตำราทางการแพทย์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 มีลูกศิษย์คนหนึ่งโทรศัพท์นะฮะธรรมภาพเพื่อป่วยหนักด้วยมะเร็งโทรศัพท์มาพระอาจารย์โยมขอถามหน่อยมันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของโยมพอเริ่มต้นอย่างนี้อตาตมารู้แล้วว่าที่ทุกทุกน่ะเพราะอะไรลูกศรดอกแรกที่ปัอกอกโยมคือมะเร็งดอกที่สองคือการคิดว่าวเป็นกาลังรับกรรมเธอบอกว่าโยมตักบาตรทุกเช้า ทำบุญทอดกระดินทอดผ้าป่ามาตลอดชีวิตแล้วทำไมโยมต้องเจอสิ่งนี้ถ้าพระอาจารย์ตอบไม่ถูกใจโยมจะเปลี่ยนศาสนา <c oughs> อนามาก็คิดในใจว่าเรื่องมันเรื่องอะไรของพระเห็นไหมนี่คือคิดในเรื่องทุกเราทุกทางกายมากพอแล้วแต่เราเติมความทุกข์เราหาลูกศรให้ความทุกข์ดอกที่สองมาเสียบอกเอเพราะ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 คือการแวดล้อมตัวเองด้วยสิ่งดีๆและคนดีๆ <c oughs> เรามานั่งปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรามองดูหน้าเพื่อนเรานี่หน้าคนดีนะ <c oughs> ไม่มีหน้าเจ้านี้เรา <c oughs> ใช่ไหมดูแล้วก็ไม่น่าจะขยับมากัดคอเรา <c oughs> ไม่มี ไม่มีใครติดเล่าติดยาไม่มีใครพกมีดมาที่นี่ทุกคนเป็นคนดีใช่ไหมเรารู้สึกปลอดภัยไหมเฮ้เราปลอดภัยกออกไปเดินจงกรมท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติที่นี่สวยงามไหมอากาศดีไหมหายใจเต็มปอดไหม เ, เห็นไหมว่าสภาพแวดล้อมอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกดีไหมลแล้วทุกวันเนี่ยเราอยู่ที่บ้าน หูเราเนี่ยเสียบหูฟัง เ, เปิดเพลงบ้าบโบโคแตกกระแทกกระทันฟังคนเดียวไม่พอกระทืะเท้าให้คนอื่นดูด้วยมันอยู่คนเดียวแล้วตกกลางคืนก็ดูละคร น, นำน่างทั้งตบทั้งจูบอิจฉาตาร้อน ดูคนเดียวไม่พอกลัวไม่เหมือนโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเธออีกห้นาทีมาแล้วนะไอ้เพื่อนเน่าไปด้วยกันเต็มไปด้วยมลพิษก็นอนกับสามีก็ไม่เคยพูดดีๆต่อกันพูดดีกับคนทั้งโลกแท้ๆคนทั้งโลกแต่กับคนใกล้กันถ้าแกนอน นอนได้แล้วพอรุ่งเช้าเราตื่นก่อนแทนที่จะหอมจะมีสักฟอดหนึ่งไป ใ, น ใ, นในกล้ๆเขาหอมแก้มเขาพร้อมเราหายใจบางๆพอตื่นขึ้นมาสิ่งที่เราทำคือจบหลังกะ็ะเพาะไอ้แก่นอน ก, กินบ้านกินเมืองไปถึงไหนทำอย่างนี้ไงมันถึงจนะ่ะสามีตื่นขึ้ น, นมา เจออย่างนี้เขาจะรักไหมเจอกันทุกวนันทุกวนันทุกวนันแต่พอกลับมานะหมานอนอยู่บนโซฟาเดินไปลืกกินข้าวดูแลหมาอุ้มไปกินข้าวเสร็จไปหาแมวแมวนอนอยู่บนเตียงที่เ ก, กันเมื่อคืนโัวตัวตัวตุนหัวของเบาโอ้มแมวมา ถ่ายรูปอัพเฟซบุ๊กรูปแรกของวันแต่กับสามียังไม่ตื่นอีกเห็นไหมเี่ยเราสามารถมีความสุขได้ถ้าเราปรุงตัวเองให้อยู่ท่ามกลางสิ่งที่ดีๆเราพูดดีๆเราปฏิสัมพันธ์ดีๆเรามีความสุขได้แต่ประหลาดนะเราไม่ค่อยทำเขาสูดบุหรี่กันตรงไหนพากันไปแออัดอยู่ตรงไหน ดืมเหล้ากันตรงไหนบางทีเขาไม่เรียกนะเขาตั้งวงอยู่ตรงโน้นมันเดินผ่ามันโฉบเข้าไปเฉยเลยไปนั่งกินกับเขาทําไมเราจึงถูกดึงดูดด้วยสิ่งไม่ดีง่ายเหลือเกินฉะนั้นทางหนึ่งที่จะทําให้สุขภาพจิตเราดีคือจงรายล้อมตัวเองด้วยคนดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเรารายล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่ดีๆนะเราจะเห็นผลมันชัดเจนเลยทีเดียวถ้าเรารายล้อมตัวเองด้วยความสงบเราสงบ ถ้าเราไร้ล้อมเตืด้วยความบุนแรงเราก็จะเก็บรับซึมซับดอกผลของความรุนแรงเหมือนกันฉะนั้นทุกวันนี้เราไร้ล้อมถึงด้วยอะไัยระดังมีสุภาษิตว่าจูอาวัจจุอชเราเป็นอย่างที่เรากินคุณกินขยะเข้าไปนะคุณก็ถ่ายเทออกมาเป็นขยะคุณกินดอกไม้เข้าไปคุณก็ถ่ายเทออกมาเป็นดอกไม้เราเป็นอย่างที่เรากินเราเป็นอย่างที่เราเคสฉะนั้นเรากินอยู่ตลอดเวลา คำว่ากินไม่ได้หมายความว่าหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ก็ไปทางปากคำว่ากินหมายความว่าเรารับสัมผัสเราเก็บรับซึทรับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาทางอายตนะคือปากทั้งหกของเราเรากินผ่านตานั่นคือกินรูปเรากินผ่านหูนั่นคือกินเสียงเรากินผ่านเลนส์นั่นคือกินรส เรากินผ่านกายนั่นคือสัมผัสและเรากินผ่านเรื่องที่เราคิดผ่านใจเห็นได้ยังว่าเรากินอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นกินจึงไม่ได้มีความหมายแคบ แ, แค่ว่าหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ปากเท่านั้นนะแท้ที่จริงเรากินตลอดเวลาไลกินทางตาหูใจหมวกลิ้นกายใจทางตาหูใจหมวกลิ้นกายใจแล้วเราป้อนมันทุกคืนทุกวันกินอยู่ตลอดเวลา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 ฉะนั้นถ้าเราปรุงตัวเองให้ทุกได้ในแต่ละวันก็แสดงว่าเราต้องมีศักยภาพที่จะปรุงตัวเองให้สมได้เช่นเดียวกันวิธีการก็อย่างที่กล่าวมาสามประการนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันสองมองทุกอย่างเป็นครูและสามรายล้อมตัวเองด้วยสิ่งดีๆคนดีๆและ พลังงานดีๆสามประการนี้ใครทำได้เราจะกลายเป็นบุคคลที่มีความสุข